เออลองดูทีเราพูดอย่างงี้แล้วมันไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะไม่เข้าใจคําพูดตรงไหนจะเห็นอยู่ต่อหน้ายังยังเป็นตัวปุงแต่งปุงแต่งปรุงแตง่ ง, แตงอยู่เนี่ยมันไม่เข้าใจตรงไหนทําไมจิตกลายเป็นตัวปุงแตง่งเออไหนดูสิฟังมาฟังย้อนกลับมามันมีสติไม่ทันหรือเปล่าเดี๋ยวเดียเดี ทำไมยังเป็นตัวปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งอยู่ทำไมไม่เป็นตัวที่ไม่ปรุงแต่งตทัทีเราตอบว่าเพราะมันมีสติไม่ทันขอถามหน่อยถ้ามีสติรู้ททันหมดจะเป็นยังไงก็จะมีตัวเราไปเป็นอะไรใช่ไหมที่เราพยายามจะมีสติรู้ ท, ทันหมด เลยถามว่าถ้ามีสติรู้ทันหมดเนี่ยจะเป็นยังไงหนูจะได้หนูจะไปได้อะไรจะมีตัวหนูไปได้อะไรใช่ไหมนั้นต่อให้เร่งสติให้รู้ต่อทันหมดอะ่ะแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่เพียงอยาเข้าใจอะ่ะเลยย้อนถามไปไงว่าถ้าเร่งสติจนทันหมดทั้งหมดอะ่ะแล้วจะเป็นยังไงหนูก็จะ สิ้นความปรุงแต่งหนูก็จะเปรู้พระนิพพานหนูก็จะพ้นทุกข์ถ้ามีหนูอยู่เนี่ยไม่พ้นทุกข์หรอกถ้ามันมีหนูอยู่ไม่พ้นทุกข์เพราะความรู้สึกเป็นหนูได้ที่เรายังเอาตัวความรู้สึกเป็นหนูเป็นหนูเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอะไรมันถึงมีความรู้เป็นหนูได้ปรุงแต่งเออมันเป็นตัวปรุงแต่งแต่ถ้าอยากเป็นตัวปรุงแต่งได้แล้วมันจะเป็นตัวไม่ปรุงแต่งได้ไหมล่ะอืม ก็เห็นความรู้สึกที่เป็นหนูเป็นหนูเนี่ยมันเป็นปุ้งแตงมันจะจะเป็นหนูกี่หนูเขาก็เป็นป้งแตงอหนูเนี่ยหนูเนี่ยอืมแต่อย่าไปช่วยตัวหนูก็แล้วกันเอ๋อย่างไรซักออกมาได้พูดออกมาได้ไม่ถูกไงก็ซักออกมามันไม่เห็นอือมันไม่เห็นมันก็เลยไม่ไม่รู้จะไม่รู้จะซักหลุงดาวว่ายังไงดีเนาะ แล้วถ้ามันเห็นน่าจะเป็นยังไงมันยังไม่เห็นถ้าพยายามจะทําให้มันเห็นแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวถามที่ถ้ามันพยายามจะทํามันก็เป็นตัวปแระดัอแต่ถ้าไม่พยายามจะทำให้มันเห็นถ้าเห็นหมดแล้วจะเป็นยังไงคือตามที่เข้าใจถ้าเห็นเห็นก็คงสามารถจะเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ที่เข้าใจได้เป็นอะไรถ้าเห็นหมดมันจะสามารถเข้าใจได้ และผู้ที่เข้าใจได้เป็นอะไรผู้ที่เข้าใจได้ก็จะเป็นตัวปรุงแต่งเออก็ใช่อ่ะบอ้าวแล้วเราไปเป็นตัวมันทําไมอ่ะไปเป็นตัวอะไรตัวปรุงแต่งทั้งนั้นไปเป็นตัวรู้แจ้งไปเป็นตัวเข้าใจได้ไปเป็นตัวรู้พ้นปรุงแต่งทั้งนั้นเลยเป็นตัวปรุงแต่งได้ทั้งนั้นเลยมันต้อเกไปเป็นตัวอะไรได้ แต่ไม่ได้ห้ามนะแต่เห็นว่ามันปรุงไงก็ได้แต่ตแตมันเป็นตัวปรุงแต่งตเห็นว่าเป็นตัวปรุงแต่งกันแล้วกันนะแต่เราเนี่ยไม่ไปปรุงแต่งตามมันและไม่พยายามดับความปรุงแต่งให้ไม่ปรุงแต่งถ้าเปนอย่างนั้นอ่ะเราก็จะซ้อนปรุงแต่งไปเรื่อยกลายเป็นปรุงแต่งซ้อนปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วเราทาไง มันได้แค่รู้เฉยๆแล้วรู้เฉยๆย่า ง, อออางตอนนี้รู้เฉยๆยางตอนนี้รู้เฉออยๆยางเอ้าตอบตังค์ครับพีจคิดว่ารู้คิดว่ารู้ทำไมจีคิดว่ารู้ตอบไปเต็มเสียงนี่ทไมคิดว่ารู้ทำไมคิดว่ารู้เฉยๆ ก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะเข้าไปทําอะไรอก็เห็นอยู่อย่างนี้ไงมันจะปรุงแต่งไงก็เห็นมันอยู่อย่างนี้แน่ก็เห็นมันอยู่แค่เนี้ยก็ไม่อยู่แค่เนี้ยจริงๆเลยมีแค่เนี้ยปฏิบัติมาสุดก็แค่เนี้ยมันปรุงแต่งปงแต่ไงก็เห็นมันอยู่แค่นี้ ไม่มีอะไรเกินกว่านี้ไม่มีอะไรเกินกว่านี้นะก็เห็นมันปรุงแต่งอยู่อย่างเงี้ยอะไรก็ปรุงแต่งทั้งนั้นแหละอะไรก็ปรุงแต่งทั้งนั้นแหละเห็นมันแต่อย่างเงี้ยอะไรก็ปรุงแต่งทั้งนั้นอะไรก็ปรุงแต่งทั้งนั้นแต่ปรุงแต่งเนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งหมดเลยเห็นมันอยู่แค่นี้จริงๆไม่มีอะไรเกินกว่านี้ให้มันเห็นอยู่ตรงเนี้ยในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเนี่ย เห็นมันอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรเกินกว่านี้ท่านบอกว่าเห็นอยู่แค่นี้เราบอกว่าเห็นอย่างเนี้ยเห็นอยู่แค่เนี้ยแต่เห็นอยู่แค่นี้ก็เห็นอยู่แค่นี้จริงๆในปัจจุบันนีนเห็นตอนนี้เลยเลยอยู่แค่นี้จริงๆไม่มีอะไรเกินกว่านี้นะไม่จริง พราะในใจบอกว่าถ้าเห็นแบบนี้แล้วรู้จะไปได้ไรถ้าดูเห็นอย่างนี้และเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราคงจะกถ้าเราเห็นจริงๆจริงๆเดี๋ยวเราคงจะกนิพพานไม่แค่นี้ซะแล้วไม่ซื่อไม่ซื่อปัจจุบันซะแล้วที่ท่านบอกว่ารู้ซื่อๆปัจจุบันเราไม่ซื่อปัจจุบันเพราะอะไร ออเห็นอย่างอาจารย์ว่ารู้แค่นี้โอถ้ารู้แค่นี้ได้จริงแอบอยู่ในใจว่าเ อ, อ้ยถ้าเราเป็นได้จริงเราก็จะบรรลุนิพพานอ้าวมันมีผู้จะไปเอามันจะเป็นได้ยังไงอ่ะก็ในผู้จะไปเอานิพพานไอั น, นี้อะมันไม่สิ้นผู้จะเอาอ่ะ มันมีธรรมชาติปรุงแต่งกับธรรมชาติไม่ปรุงแต่งแต่มันเกินมาตัวหนึ่งคือมันจะไปตัวไปวีตัวเราไปเอาอะไรไในธรรมชาติปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงตัวเราไม่มีเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดเที่ยงมันจริงจะมีตัวเราอยู่มันเป็นของไม่เที่ยงที่เป็นของที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เราแล้วใจไว คือจิตแท้ๆมันเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนมันจึงไม่มีตัวเราอีกดังนั้นธรรมชาติมีแค่สองสิ่งคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับใจหรือจิตแท้ๆที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรปรากฏเลยได้แต่รู้ความจริงอยู่แค่นั้นเองแต่ไม่มีตัวเราแต่มีเกินมาตัวหนึ่งคือจะเอาพยายามตัวเราไปเป็นอะไรนี่อยู่ต่อหน้าเรานี่เลยจะพยายาม มีเกินมาตัวหนึ่งคือเกินจากธรรมชาติที่ปรุงแตง่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแตง่งมีเกินมาตัวคือตัวเราจะไปเอาอะไรเช่นจะไปเอาธรรมชาติที่ไม่ปรุงแตง่งอย่างนี้เป็นอาวิชาแท้ก็คงปล่อยให้ธรรมชาติที่ปรุงแตง่งมันก็ปรุงแต่งไปทั้งวันส่วนใจได้แต่รู้ว่าตัวมันไม่ปรุงแตง่งอย่างอื่นแลวแต่เป็นสิ่งปรุงแตง่ง แต่ใจก็ไม่ในว่ะเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเพราะว่ามันเป็นใจว่างจากความปรุงแต่งก็รู้แต่ใจมันว่างปรุงแต่งก็ไม่มีใครยึดใจที่ว่างและไม่มีใครไปยึดธรรมชาติที่ปรุงแต่งมันก็เลยอยู่ในกันทั้งวันทั้งปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งมันก็อยู่ในที่เดียวนั่นแหละเพราะว่าธรรมชาติที่ดินน้ําลมไฟและธาตุรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยจิตเดิมแต้แเนี่ยมันประสมรวมกันเป็นขันท่าแล้วเมื่อยังไม่ตายมันก็ต้องรวมกันอยู่นนี่แหละทำงานร่วมกัน ความปรุงแต่งมันก็เลยอยู่กับความไม่ปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งมันก็อยู่รวมกับความปรุงแต่งเนี่ยแล้วจะเข้าถึงธาตุรู้ได้ยังไงเจ้าค่ะมีใครเข้าถึงมีใครเข้าถึงมันก็จะมีจิตที่จะเข้าไปอยากรู้อีกใช่ไหมเจ้าค่ะมีตัวเราใช่ไหมเก็เป็นอวิชฌาไม่ใช่หรอก็นีไม่พ้นอีกอต้องปล่อยอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะ เ, เข้าใจ เข้าใจจริงก็เปล่าจะเพว่งวางใหม่<า>หลอกเราไม่่ายนะจะพยาพยามไปฝึกจะพยายามไปฝึกเอาอะไร<อ>จะพยายามไปฝึกเอาอะไรจะมีเราไปเอาอะไร ยังไม่เห็นว่าไอตัวผู้กำลังนั่งหาเขาเข้าใจเอยู่เนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวปุงแตง่งมันตามตลอดแต่เอาไอตัวปุงแต่งเนี่ย<า>เป็นตั ว, ตตวเราซะเลยมันตามตลอดมันตามตลอดเลยเจ้าค่ะเดียวเดียวเดียมันตามดูตามรู้ตามเห็นตามเขา้าใจตามปล่อยวางตลอด ตัวผู้จะตามได้ต้องเป็นอะไรต้องเป็นขันท้าตัวปรุงแต่งแล้วใครที่จะพยายามทำให้มันไม่ตามตลอดผู้ที่จะพยายามไปทำให้มันไม่ตามดูตามรู้ตามเห็นตามปล่อยวางตลอดต้องเป็นใครถึงจะไปไปไปห้ามมันได้ต้องเป็นใครที่จะไปทำกิจกยาห้ามได้ ตัวปรุงแต่งอีกเหมือนกันตัวปรุงแต่งอีกเหมือนกันมันก็ซ้อนไปซ้อนมาอยู่อย่างนี้ไอ้ okay, ที่ซ้อนไปซ้อนมาได้มันก็ต้องเป็นตัวปรุงแต่งทั้งหมดมันจะกี่ซ้อนนก็เป็นตัวปรุงแต่งเพราะว่าใจหรือจิตแต่แต่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันไปซ้อนอะไรกับใครไม่ได้หรอกนังนั่นไม่เย็นจะปรุงแต่งไงก็ปรุงแต่งไปสิเพราะว่าในเมื่อใจก็ไปทำอะไรกับสิ่งปรุงแต่งไม่ได้ ใจหรือจิตตัวแท้ก็มันเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเรื่ไปทําอะไรกับจิตปรุงแต่งไม่ได้เดี๋ยวมันอยจะปรุงแต่งแนละ้วก็ปรุงแต่งไปแต่เห็นว่าไอ้ที่ปรุงแต่งั้ำบวชไม่ใช่เรากัแล้วกันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นใจตัวเราก็ไม่มีตัวเราเนี่ยพูด ก, กันตัวเราตัวนั้เนี่คือพูด ก, กันไปเพียงสปานามเรียกแทนแทนสื่อความหมายกันตั้งแต่ตัวตนของเราจริงๆไม่มีดังนั้นตัวปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติต้องมีอยู่ มันก็ปรุงไปที่อย่างปรุงไปก็เป็นตัวปรุงแต่งทั้งนั้นเนี่ยอปุุงแต่งก็ปรุงแต่งไปไม่มีใครไปทําอะไรกับมันได้หรอกอยากปุุงแต่งก็ปุุงแต่งไปดิเนี่ยปรุงแต่งไปอยากปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไม่ใช่ว่าใครจะไปดับมันได้หรอกเพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตัวผู้ไปดับมันเพราะไอตัวผู้พยยามไปดับมันได้มันต้องเป็นตัวปรุงแต่งและวมันจะมีตัวซ้อนกี่ตัวที่เราพยายามบอกว่ามันคอยซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนกันอ่ะเอามันซ้อนกี่ตัวก็ปรุงแต่งหมดแหะ ถ้าเราพยายามจะไปดับไม่ให้มันซ้อนไอ้ผูดที่พยายามไปดับให้มันซ้อนมันก็เป็นตัวปุงแต่งมันจะไปดับก็ได้ธรรมชาติของจิตแต่ใจหรือใจแต่ใจมามันเป็นความไม่มีไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดี๋ยวมันจะไปดับอะไรใครได้มันจะไปแทรกซ้อนใครได้มันจะไปดับใครได้มันทําได้อย่างเดียวอะไรปุงแต่งก็ปุงแต่งไปดิแต่ข้าไม่ปุงแต่งกัแล้วกันอะแต่ข้าเนี่ยเราพูดกันในความสปนามสื่อความหมายว่าข้าไม่พุงแต่งกันแล้วกันเราจะพุงแต่งก็พุงแต่งไปเถอะอยากพุงแต่งก็ปุงแต่งไว้เนี่ยแต่ข้าไม่พุงแต่ง ข้าไม่ปรุงแต่งแต่พยายามจะไปปรุงแต่งให้ข้าไม่ปรุงแต่งสอนนี้สานอีกก็ข้าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งไม่ได้ข้าเปรียบเหมือนเป็นใจใจเปรียบเหมือนเป็นข้าก็ข้าหรือเราเป็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแต่พยายามเนี่ยจะทาให้เราไม่ปรุงแต่งช่วยให้เราไม่ปรุงแต่งช่วยให้เราไม่ปรุงแต่งยังไงมันก็เป็นปรุงแต่ง มันเหมือนหญ้าปากเคาะเดียวเส้นผมบางภูเขากี่ผมเข้าตาเราต้องเข้าใจอย่างยิสกรในธรรมชาติที่ปรุงแต่งธรรมชาติมันมีสองธรรมชาติธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยเป็นเหมือนกับความว่างของธรรมชาติมีแต่ความรู้รู้อะไรลนะ่ะ ก็รู้ว่าตัวมันเองไม่ปรุงแต่งแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวมันเองแล้วก็รู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราและธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเราตัวตนของเราจริงงจังเพราะอะไรธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมันไม่มีตัวตนมันจึงไม่ใช่ตัวเราไอ้ส่วนธรรมชาติที่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็แตกดับทำลายหมดอมันเป็นเป็นเป็นธาตุมารวมการธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วก็วิญญาณธาต์ ธาตุที่ไม่ปรุงแต่งนี่ยนะ่มันมารวมกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่มันมารวมกันด้วยอวิชาคื อ, อยังยังเข้าใจผิดไปเอาไอ้ตัวที่ปรุงแต่งเป็นตัวเราแต่ตอนเนี้ยกําลังจะพยายามช่วยตัวเราะให้ไปเป็นตัวไม่ปรุงแตง่งไอ้ตัวที่ที่มันธรรมชาติในปรุงแต่งอะ่ะมันปรุงแต่งไปช่วยตัวเราไม่ได้หรอกก็เลิกปรุงแตง่งซะก็จะเป็นตัวไม่ปรุงแต่งทันทีเลยอัตโนมัติเดี๋ยวหนูจะทําไงหนูถึงจะเลิกปรุงแตง่งอ่า มันก็เจ้าวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วทำยังไงหนูถึงจะเลิกปรุงแต่งถ้าหนูพยายามจะเลิกปรุงแต่งก็แสดงว่ามีตัวหนูที่จะไปเอาอะไรมันก็เป็นตัวปรุงแต่งอ่ะเพราะว่าธรรมชาติเป็นปรุงแต่งมันไม่มีอะไรเลยอะเราทํามไม่ปล่อยให้ธรรมชาติมันมีแค่สองธรรมชาติอะอยากจะปุงแต่งก็ปรุงแต่งไปอยากก็ปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปที ก็ใจมันไม่มีนี่เพราะใจมันไม่มีตัวใจใจไม่มีอะไรเอ็กซ์ยาก็ปุงแต่งปรุงแต่งไปเปรียบเหมือนว่าฆ่าก็เป็นใจไปคือไม่มีอะไรเอกซ์ยาปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปเพราะว่าที่ปรุงแต่งทั้งหมดไม่ใช่ฆ่ากับเรากันพอฆ่าเป็นใจแล้วเั้นที่ปรุงแต่งทั <c anner> ้งหมดไม่ใช่ฆ่าแต่พูดไปพูดมาแล้วจะทำยังไงให้หนูกลายไปเป็นตัวไม่ปุงแต่งอ้าวเดี๋ยวเดียเดี๋ย แล้วจะทำยังไงให้หนูอ่ะพยายามปรุงแต่งตัวเองให้ไปสู่ความไม่มีจะปรุงแต่งให้ไปสู่ความไม่มีจะมีให้ไปสู่ความไม่มีได้ยังไงก็ยังเป็นความมีอยู่แล้วมันจะเป็นความไม่มีได้ยังไงมันจะเป็นในขนาดเดียวกันไม่ได้เป็นขนาดจิตที่เป็นอันเดียวกันในขนาดจิตเดียวกันไม่ได้ก็อย่าไปเป็นความปรุงแต่งเด้อดิมันอย่าไปเป็นความปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยปรุงแต่งไปอย่าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปเนี้ยแล้วมีนอยู่ายพิยุงกับมัน ไม่มีใครยุ่งกับมันเลยไม่คไปวุ่นวายกับมันเลยอยากปรุงแต่งกปรุงแต่งไปเมื่อไหร่ที่เราเลิกยุ่งวกับมันเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอัตโนมัติเองแมันยากปรุงแต่งกบปรุงแต่งไปตอนหน้าตอตาเราเนียเอเองปรุงแต่งไปแต่ข้าไม่ปรุงแต่งกันแล้วกันเองปรุงแต่งไปแต่ข้าเนี่ยไม่ยุ่งวุ่นวายกับเองข้าไม่ยุ่งวุ่นวายกับเองอ่ะข้าก็เลยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเพราะว่าธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันไปยุ่งวุ่นวายกับอะไรไม่ได้ เพราธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันจะพยจําทําให้ตัวเองอ่ะมันไม่ปรุงแต่งไม่ให้ไปยุ่งวุ่นวายกับใครมันก็ทําไม่ได้แต่มันพยายามจะไปยุ่งวุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายเพื่อให้ตัวมันอ่ะไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันไปทําไม่ได้เพราะว่ามันมันไปทํากริยาอาการไม่ใดๆไม่ได้เลยธรรมชาติเหลือแต่สิ่งที่ปรุงแต่งปรากฏส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรปรากฏปรากฏแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทิยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ปรุงแต่งขึ้นทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตวนของเราเมื่อสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นหลงประยึดเอาสิ่งปรุงแต่งที่เป็นขันธ์หน้าทั้งหมดมาเป็นเราเป็นตัวเรา เป็นตัวตนของเราแล้วก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งคือใจที่ว่างเปล่าเหมือนธรรมชาติเมื่อพบใจที่ว่างเปล่าเหมือนธรรมชาติก็รู้ว่าใจที่ว่างเปล่าเหมือนธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับเขาว่างธรรมชาติเนี่ยตัวตนของใจเขาไม่มีเขาปรุงแต่งไม่ได้เขาจึงไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นใจที่ว่างก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราคงเป็นธาตุว่างตามธรรมชาติที่มีความรู้ของเขาอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าความว่างเป็นเรา เราเป็นความว่างดงั้นความว่างที่มีความรู้เขาเลยเรียกว่าพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะคือมีความรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ้นยึดจึงเรียกว่าพุท ธ, ธะเรียกธาตุว่างธาตุนึงก็เรียกว่าพุท ธ, ธะแต่ไม่ใช่ว่าเราคือพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะคือเราพุท ธ, ธะคงเป็นพุท ธ, ธะอยู่อย่างนั้นแนะไม่มีใครยึดพุท ธ, ธะงนั้นก็เลย มันก็รู้ว่างแล้วก็รู้ว่ามีความปรุงแต่งแต่ไม่มีใครยึดทั้งว่างไม่ยึดใจ ท, ที่ว่างและไม่ยึดทั้งจิตที่ปรุงแต่งคงอยู่ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความว่างความว่างมีอยู่ในความปรุงแต่งความปรุงแต่งมีอยู่ในความว่างคือความไม่ปรุงแต่งมันอยู่คู่กันเพราะมันมันเป็นมันรวมกันเป็นขันห้าความปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ในความไม่ปรุงแต่ง ความปรุงแต่งและความไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราในความคิดมีผู้ไม่คิดในความปรุงแต่งมีผู้ไม่ปรุงแต่งในความวุ่นวายมีความสงบและว่างเปล่าธรรมชาติสองสิ่งอยู่ด้วยกันตลอดจนกว่าขันห้าจะดับความปรุงแต่งความวุ่นวายจึงดับไปเหลือแต่ความว่างความไม่ปรุงแต่งเท่านั้น แล้วก็ไม่ได้เป็นใครเป็นธาตุว่างเป็นธาตุรู้เป็นพุทธะที่เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของกืืนหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้ธาตุว่างตามธรรมชาติที่เคยเป็นขันห้าของพุทธเจ้าและอรหันตุกองค์กับนมัสการเจ้าค่ะมุ้ยเจ้าค่ะวันนี้มาไม่ไม่มีการบ้านนะหลวงตา แต่เพียงแต่ว่ามามาฟังธรรมนะคะเพราะรู้สึกว่าพอฟังเนี่ยใจมันก็เข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นไปอย่างเนี้ยเจ้าคะ่ะอืเพราะว่าเพิ่งมากราบหลวงตาเมื่อเมื่อวันที่ไม่ไม่นานเนี้ยคะ่ะมุย้ยบอกว่าตัวเราผู้รู้แจ้งเลวกันผู้รู้ผู้เข้าใจอะมุยไปยึดเอาตัวผู้รู้ผู้เข้าใจเป็นตัวเราจริง มีแต่ความรู้ความเข้าใจแต่ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจมีแต่ความรู้ความเข้าใจแต่ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้เข้าใจมุ้ยไปยึดเอาตัวเราเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจวางตัวนี้ไปเลยมีแต่ความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและไม่ยึดเอาผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นตัวเรามีแต่ความรู้ความเข้าใจมันก็คงปล่อยมันเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นเนี่ย หลวงตาเจ้าค่าเมื่อกีช้ช่วงที่ฟังหลวงตาอธิบายพอดี มันขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเห็นปรากฏการธรรมชาติเหมือนเห็นฟ้าแลบที่อยู่กลางท้องฟ้าไปอย่างเนี้ยแต่เหมือนฟ้าแลบก็เกิดเกิดดับดับไปบนบนฟ้าซึ่งมันก็ว่างเปล่าของมันซึ่งมันก็อยู่ด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งก็เกิดดับปรากฏให้เห็นอีกสิ่งหนึ่งมันก็ว่าง แต่เราประยุทธว่าผู้รู้ปรากฏการบนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเนี่ยเป็นตัวเราเจ้ า, า, จาเราไม่ยึดปรากฏการ <c oughs> อาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในใจเราสังขาร ท, <c oughs> ที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราไม่ยึดเป็นตัวเราใช่มุ้ยไม่ยึดจริงๆและมุ้ยก็ไม่ได้ยึดเอาใจที่ว่างเปล่าคือท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเป็นตัวเร า, าแต่มุ้ยยึดเอาว่าตัวเราเป็นผู้รู้ทั้งความปรุงแต่งและรู้ทั้งใจที่ว่างเปล่าใช่ใช่เจ้าค่ะเพราะ เพราะว่าพอเมื่อกี้ตอนที่มันแวบขึ้นมาเห็นเป็นปรากฏการ์ว่าเอ้อมันเหมือนปรากฏการ์แล้วอยู่ๆมันก็มีเสียงขึ้นมาว่าเอ้าแล้วใครไปรู้ล่ะเนี่ยอสองอันเนี่ยเห็นไหมทำก็เลยขึ้นมาว่าเห็นไหมเจ้าค่ะวางผู้รู้นี้ด้วยเจ้าค่ะวางไม่ถึงว่าไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเรา เพราะมันเป็นสติปัญญาในขันธ์หน้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่พอมีสติปัญญาในขันธ์หน้าที่มาสายรู้จนถึงพระนิพพานเนี่ยคือสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจึงรู้ว่าในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเนี่ยมีกริย า, าการเหมือนฟ้าแลบแล้วก็เห็นว่าอาการของใจทั้งหมดเหมือนฟ้าแลบอยู่ในใจที่เหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแต่ผู้ที่จะรู้จะเห็นอันนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแต่ผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ย มันเป็นขันห้าผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยเป็นขันห้ายืมขันห้ามาใช้ที่พระเจ้าตัดว่ายืมสติปัญญาผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยเป็นขันห้ามาใช้จนถึงฝั่งพันธิพานแต่เรากลับไปยึดเรือเรือที่ใช้ขํามฝากว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราในใจที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมีจิตที่มันปรุงแต่งคิดนึกตึตอนปรุงแต่งเหมือนฟ้าแลบอยู่ในใจที่ไม่ปรุงแต่งเหมือนกับท้องฟ้าในว่างเปล่า มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยคู่กันตลอดเวลาแต่ไม่มีใครไปยึดทั้งสติยึดตัวมันเองเพราะมันอาศัยขนายืวมาใช้คือไม่ไปยึดเอาตัวผู้รูไ้ไปเป็นตัวเราแล้วไม่ไปยึดทั้งไงใจที่ว่างเปล่าเป็นตัวเราแล้วไม่ไยึดเอาจิตที่ปรุงแต่งเหมือนฟ้าแลบเป็นตัวเราธรรมชาติมันก็เลยเนี่ยการปฏิบัติมันก็เลยมีอยู่สามอย่างคือใจที่ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าแล้วจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยเหมือนกับฟ้าแลบ เกิดเดดบดาบในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแล้วก็มีตัวผู้ไปเห็นคือสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันมีความสงบใจที่จะไปสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีความปรุงแต่งอยู่ในใจที่ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าที่ไม่ปรุงแต่งแต่มันไม่มีใครไปยึดทั้งไอ้สาตัวเนี่ยคือไม่มีใครไปยึดทั้งตัวสติและไม่มีใครไปยึดทั้งท้องฟ้าที่ว่างเปล่าและไม่มีใครไปยึดทั้งจิตที่ปรุงแต่งแต่ให้ตัวสติผู้รู้เนี่ยผู้รู้แจ้งรู้จริงรู้พ้นเนี่ย มันก็เป็นสังขารในการหน้าแต่พอมันเป็นมันสิ้นผู้ยึดจริงๆแล้วมันกลายเป็นนิพพานแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นไม่ต้องไปคอยรู้แจ้งรู้จริงรู้พ้นอะไรคือมันมันสิ้นยึดไปแล้วมันก็รู้มีแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมีแต่ธรรมชาติคู่อยู่นี่แหละแล้วก็อยู่กับรู้ความจริงอย่างเงี้ยอรู้ความจริงก็คือรู้ว่าตัวมันเนี่ยคือใจเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งแล้วก็มารู้ว่า ไม่ใช่ว่าใจนะี่คือตัวเรานะคือเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วก็มีความปรุงแต่งมีจิตที่ปรุงแต่งและจิตที่ปรุงแต่งก็ไม่มีตัวเราส่วนใจที่ว่างเปล่าก็ไม่มีตัวเร า, าเพราะมันเป็นความว่างเหลือแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งแต่ไม่มีใครยึดแล้วก็รู้ว่าเออบัดนี้สิ้นยึดแล้วสิ้นยึดเป็นนิพพานแล้วพบชายก็สิน้นแล้วก็เหลือแต่ความรู้อย่างเนี้แค่นั้นไะ